สวัสดีครับพี่น้องครับนี่จะเสียงจากสีบ้านนะครับ Merry Christmas ครับชีวิตพระเยซูหนึ่งร้อยเจ็ดสบแดตอนแกะหายครับลูกาบทที่สิบห้าข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่เจ็ดลูกาบทที่สิบห้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เจ็ดโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครั้งนั้นบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์ฝ่ายพวกปาริสีและพวกธรรมจารย์กว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขา องจึงจัดคาเปรียบให้เขาฟังดังต่อไปนี้ว่าในพวกท่านมีคนใดที่มีแกะร้อยตัวและตัวหนึ่งหายไปจะไม่ละเก้าสิตัวนั้นเก้าสิบเก้าตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้าและไปเที่ยวหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะได้พบหรือเมื่อพบแล้วเขาก็ยกขึ้นใส่บาแบกมาด้วยความเปรมปรีเมื่อมาถึงบ้านแล้วจึงเชิญพวกนิสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันพูดกับเขาว่า จงเปลี่ยปรีกับข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้พบแกะของข้าพเจ้าที่หายไปแล้วนั้นเราบอกความจริงแก่ท่านหลายว่าเช่นนั้นแหละจะมีความปรีดีในสวรรค์เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่ทีน้องครับคําว่าคนบาปในข้อที่หนึ่งนะครับอ้างถึงประชาชนที่พวกปริศีถือว่าไม่สะอาดและไม่ยอมรับให้เข้าร่วมในพิธีทางศาสนาอยู่ คนเหล่านี้ก็คือคนที่ผิดประเวณีคนขี่โกงพวกชลากากรคนเก็บภาษีคนเลี้ยงแกะคนขี่ลาพวกเร่ขาย ข, ของคนฟอกหนังประชาชนเตรียมหนังสัตว์เพื่อที่จะขายพวกนี้ครับเป็นพวกที่นักการศาสนาพยายามที่จะกิดกันคนเหล่านี้ออกไปเพราะถือว่าเป็นคนที่สชกปรกเป็นคนที่โกงนะครับโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพวกคนเก็บภาษีนะฮะเขาก็รับใช้ชาวโรมครับ เพราะว่าอะไรครับเขาเขาต้องเป็นในด่านอากรเพื่อเก็บภาษีนะครับและเขาก็เก็บภาษีด้วยเรสหรืออัตราที่อาจจะเอารัดเอาเปรียบนะครับเพราะว่าเขาชักเปอร์เซ็นต์ครับเอากินเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในสายตาของพวกธรรมจารพวกฟาริสีก็ขีดกันแต่ในสายพระเนตรของพระเยซูเตียซูทรงเห็นว่าทุกๆคนคนทุ ก, ค น, ค, นทกคนนั้นมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้น ครำโอมมาในตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับแก้หายนะครับก็คือมีแก่หนึ่งร้อยตัวแก้หายไปเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเองพวกปริสีไม่ชอบที่พระเยซูใช้คนเลี้ยงแกะในคําสอนของพระองค์เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าคนเลี้ยงแก่นั้นเป็นคนที่น่ารังเกียจครับแต่ที่น้องครับในวันคริสต์มาสนะครับทูตสวรรค์ได้มาปรากฏกับคนเลี้ยงแก่ครับเป็นคนที่สังคมชาวชนชั้นสูงชาวปริสีพวกขมราชารพวกนี้รังเกียจ แต่ว่าอะไรครับพระเจ้าไม่รังเกียจครับไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ต่ําต้อยเพียงไงแรืไม่เป็นคนที่ใช้การไม่ได้ขนาดไหนหรือเราเป็นคนที่มีประวัติส่วนตัวไาอย่างไรพระเจ้าไม่เคยรังเกียจครับโครงทรงเสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมาช่วยคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาสนะครับพวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมพธิธีการศาสนาได้นะครับแต่ว่าพวกเขานั้นง เข้าอยู่ในภาคใายของพระเยซูได้เราจะต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงแกะกับแกะเขาดีก่อนนะครับปกติแล้วผู้เลี้ยงเนี่ยจะพาพวกแกะนะครับไปในสถานที่ที่ว่าถ้ามีหญ้าเขียวสดให้แน่ดีที่สุดครับแต่ว่ายากใช่ไหมครับในแผ่นดินทวารนดานปาเลสไตน์หรือที่เป็นทะเลทรายเอานั้นเพราะนั้นการหาน้าสะอาดและหญ้าเขียวให้แกะกินนะครับ ในตอนเย็นคนเลี้ยงแกะนั้นต้องต้อนพวกมันเข้าไปในคอกที่เช่าไว้ชั่วคราวที่ซึ่งแกะสามารถนอนหลับได้อย่างปลอดภัยครับขณะที่แกะเดินเข้าออกนะครับผู้เลี้ยงจะงนับแกะเทียบตัวเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีตัวไหนหลงหายไปแต่ถ้ามีตัวหนึ่งตัวใดหลงหายไปแม่ตัวเดียวนะครับเขาจะต้องออกไปตามแกะนั้นครับแต่ผู้เลี้ยงแกะในครัวอุมานีนะ้มีแกะอยู่ร้อยตัวนับว่าเป็นฝูงแกะนขนาดกลางครับไม่ได้ใหญ่ครับ ฝูงแกะขนาดใหญ่อาจจะมีแกะถึงสามร้อยตัวทีเดียวเมื่อผู้เลี้ยงแกะเห็นคนเห็นแกะตัวหนึ่งหายไปเขาจะละฝูงแกะของเขาไว้นะครับาการล่ฝูงแกะนั้นก็คืออาจจะฝากไว้กับผู้เลี้ยงแกะคนหนึ่งและตัวเองนนั้นก็ออกไปตามหาค้นหาแกะที่หายไปนั้นมันอาจจะหลบเข้าไปหลงไปอยู่ตามช่องขีดและภูเขาครับแกะนี้จะไม่เหมือนกับสัตว์อื่นๆเพราะมันไม่สามารถหาทางกลับไปคอกเองได้ ปกติมันจะต้องไปกับฝูงของมันนะครับปกติหลังจากที่แกะตัวหนึ่งตัวใดหายออกไปมันจะนอนลงอย่างเศร้าสร้อยและรอคอยความตายครับมันจะไม่สามารถยืนขึ้นหรือวิ่งต่อไปได้พี่น้องครับในธรรมโอมนี้เราพบว่ามีความชื่นชมยินดีมากครับข้อเในข้อที่ห้าคนที่เลี้ยงแกะหรือเจ้าของแกะนั้นก็พบแกะและเขาก็ยกใส่บาแบกมาด้วยความเพลิดเพลิพี่น้องครับ คนเลื่องแกะจะรู้สึกอย่างไรครับต่อแก่ที่หายไปแม้กระทั่งหายไปเพียงแค่ตัวเดียวพี่น้องครับในข้อที่ห้าบอกว่าเขากลับบ้านด้วยความยินดีเขากลับบ้านด้วยความยินดีครับแต่ข้อที่หกปล่าวว่าเขาเรียกเพื่อและเพื่อนมากของเขามาให้ร่วมชื่นชมยินดีด้วยกันพระเยซูก็เลยสรุปธรรมโอมนี้ด้วยคว๊อทคำที่ว่าคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่นะครับก็มีความปรีดีในสวรรค์ครับนะะปรีดีในสวรรค์เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ มากกว่าคนชอบทำ99คนที่ไม่ต้องการการกลับใจเราเห็นได้ว่าพระเยซูไม่ได้ตัดว่าบรรดา ผ, ผู้ที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วจะไม่สําคัญแต่พระองค์ต้องาการให้เราชื่นชมินดีกับความรอดของคนบาปทุกคนครับนะครับในกลางคืนวันที่24หรือกลางคืนวันที่25นะครับโบสถ์และไรโบสถ์ก็มักจะมีการประกาศพระบิาดาคุณพี่น้องครับเราชื่นชมินดีกับความรอดของคนที่ได้เข้ามาในคริสตจักรไหมครับ เข้ามาไดกลุ่มแคร์มั้ยครับเราต้องมีความชื่นชมินดีนะครับเหมือนกับที่ชาวสวรรค์ชื่นชมินดีหรือชาวบ้านชื่นชมินดีเมื่อผู้เลียงแกะได้พบแกะที่หายไปนี่คือท่าทีของพระเยซูที่สอนเราใกับอุปมาเหล่านี้พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูได้ทรงถือําเนิดมาเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายเป็นสถานที่นะครับที่เราจะพบกับพระเจ้าได้เป็นผู้ที่จะนําเราพบกับพระเจ้าได้เป็นเพลิง นะครับเป็นพับพลาที่เราจะรับการยกโทษบาปได้จากการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพ้าบิดาและองค์เสด็จมาเป็นของขวัญในวันพิศสมภ์นี้ขอพระเจ้าเมตตาไวพรให้แกะนะครับของพระเจ้าทุกตัวจะได้เข้าคโคกในขณะเดียวกันครับแกะที่หลงหายไปนะครับซึ่งพี่น้องเหล่านี้รอคอยการดูแลจากพวกเราอยู่นะครับหลายหลายครั้ง เราเข้าไปอยู่ในโบสถ์นะครับเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เราผิดชอบแต่อย่าลืมครับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเยซูเรียกร้องให้เราทั้งหลายทาก็คือการหาแกะที่หลงหายครับการตามแกะที่หลงหายไปแต่พี่น้องครับเราทั้งหลายมีความชื่นชมดีเมื่อในวันเกิดสมภพมีผู้คนมากมายแต่ต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดครับแต่ขอให้สิ่ง น, นี้นํามาซึ่งความเพิ่มปิตินํามาซึ่งภาระใจในการที่เราจะดูแลลูกแกะของพระองค์ต่อไป พระเจ้าเมตตาอวยพรในวัน ค, คริสต์มาสนี้เพื่อที่ทุกท่านจะได้มีความสุขความชื่นชมินดีครับอย่าลืมครับว่าเราอยู่ในพัธนธสัญญาของพระเจ้าและอยู่ภายใต้ความหาบัญชาของพระองค์คือการที่เราจะรักพระเยซู وس, พระเจ้าพระบิดาของเราและแผ่นดินของพระองค์รักลูกแกะของพระองค์สุดจิตสุดใจนะครับเพื่อที่เราจะได้เลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์และตอบสนองต่อ พระคุณความรักของพระเจ้าได้อาเมน